ได้อ่านประวัติของอาจารย์ซูมเมโทรมีบางตอนที่น่าสนใจอาจารย์ซูมเมโตรนี่เป็นชาวอเมริกันเคยเป็นทหารแล้วก็ตหลังมาบวชแล้วก็ไปปฏิบัติกับหลวงพ่อชาก็เป็นพระฝรั่งคนแรกของหลวงพ่อชา แล้วก็เป็นคนแรกๆของสายปฏิบัติของวัดป่าภาคอีสานตอนหลังท่านก็ไปหลวงพ่อชาวก็ให้ท่านไปเผยแพร่ศาสนาที่อังกฤษแล้วก็สร้างวัดที่อังกฤษขึ้นมาเมือ่อสักสามบกว่าปีที่แล้ววัดป่าจิตวิเวกแล้วก็วัด อมรวดีผมก็เคยไปจำรรษาที่นั่นเมื่อสัก24 25ปีที่แล้วก็เป็นวัดสายหลวงปู่ชาวัดแรกที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็สามารถรักษาข้อวัดแบบพระป่าได้ ได้ดีเลยแต่ตอนนี้ท่านก็ชรามากแล้วนะก็มาพักมาพักยาวที่เมืองไทยอายุท่านก็พอๆกับรู้ว่ากาเขียนมากกว่านิดหน่อยประมาณสักแปดสิบเอ็ดแปดสบสองแล้วตอนนี้เดิมทีท่าน ถ้ามีความสนใจในเรื่องปรัชญาแล้วก็สนใจพุทธศาสนาก็เลยมาเมืองไทยตั้งแต่อายุสามสิบเนี่ยก็คือห้าสิบปีที่แล้วแล้วก็ตัดสินใจบวชชิ้นแรกก็บวบบวบเน้นก่อ น, นที่หนองคายแล้วต่อหลังก็บวบพระ ตอนที่บวชเนนก็ยังหาครูบาอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้นะยังไม่เจอครูบาอาจารย์ที่ถูกใจก็ได้ได้แต่ปฏิบัติถือศีลไปตามพระทั่วไปตามตามคำสอนของอที่มีอยู่ทั่วไป จนกรทั่งได้มาคุ้จักพระรูปหนึ่งเป็นพระป่าสายีสารชื่อพระสมหมายพระสมหมายก็แนะนําว่าเนี่ยได้กําลังศึกษาปฏิบัติหลวงพ่อชายอยู่สามเณรสุมเมโธฟังข้อวัดคําสอนของหลวงพ่อชาแล้วก็เกิดสนใจว่าเออนี่แหละคงเป็นพระที่เรากำลังแสวงหาก็เลยตั้งใจว่า เมื่อบวชแล้วก็จะไปปฏิบัติกับหลวงพ่อชาก็ไปบวชที่หนองคายบวชเสร็จก็ขออุปชาว่าจะไปขอไปปฏิบัติกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาตอนนั้นก็ยังไม่ดังนะแต่ว่าก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วในหมู่พระปฏิบัติสายอสานหนองคายซึ่งเป็นวัดที่ท่านบวชกัอบอุบลก็ไม่ได้ห่างไกลกันมาก พระสมัยเราก็พาสามเณรสุตอนที่เป็นพระละเป็นพระสุมเมโธนะไปไปหาหลวงพ่อชาแล้วก็ท่านก็เกิดถูกใจขึ้นมาว่าเออเป็นการหลวงพ่อชาท่านสอนได้น่าสนใจถึงแม้ว่าไม่คาดไม่คาดฝันว่าจะเจอวัดป่าที่กันดาลแต่ก็ พอใจที่จะอยู่กับหลวงพ่อชาพระสมัยท่านเป็นพระที่เคร่งครัดนะในวินัยมากเคร่งครัดแบบไป้ว่าเอาจริงเอาจังทีเดียวแม้กระทั่งบางเรื่องก็ก็ดูว่าไม่น่าจะเคร่งหรือว่าไม่น่าจะซีเรียสมากท่านก็ท่านก็ไม่ยอมนะจนบางครั้ง ราสุมเมโก็ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเลยว่าหงุดหงิดนะว่าท่านแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเรื่องมากเรื่องพระวิ น, นัยก็ได้ใส่หลวงพ่อช้านช่วยแนะนำสอนเรื่องทำาเข้าใจเรื่องพระวิ น, นัยนี่ประล้มไมนี่ต่อมาก็เกิด สึกขึ้นมาเกิดราสิกขาราสิกขาก็ไม่ทราบสาเหตุนะอาจารย์สุมเมโทท่านไม่ได้เล่าก็สึกมาแล้วก็ตอนหลังก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปทำมาหากินแล้วก็มารุ้ขายทีก็พกากลายเป็นคนติดเหล้าไปแล้ว ติดเล่าจากคนที่เคลงวินัย น, นะตรงนี้ก็ไม่ได้งั้นก็ไม่ได้นะสีนี่ก็สองยี่บเจ็ดข้อนี้เรลงครัดมากหรืออาจจะถือสีมากกว่าสองยี่ิบเจ็ดด้วยเพราะคงรวมเรื่องทุ ด, ดงเขวัดเข้าไปด้วยแต่พอศึกไปได้ไม่นานก็ไม่สั้นนานแท่ไหนนะอาจจะเป็นปีนะ ก็กลายเป็นว่าเมาซะแล้วกลายเป็นขี้เม า, แ ล, เมาแล้วก็เมาแล้วก็เมาอย่างหนักนะจงทั้งการเป็นคนเป็นพวกเสพติดนะโรคสุาเรื้อรังแล้วต่อหลังก็กินเหล้าจนฟั่นเฟือฟนฟั่นเฟือนทำอะไรไม่ได้เลย ก็มีพระนี่ช่วยเหลือนให้มาให้ให้คล้ายๆเป็นให้ห้องพักให้อยู่วัดเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ลนะฟั่นเฟือนทำมาหากินก็ไม่ได้แล้วตอหลังก็ไปโดนรถชนตายเพราะความเมาเนี่ยนะเพราะความฟั่นเฟือนไม่มีสติ อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ที่ดีมากนะสำหรับพระเราและสำหรับคนทั่วไปด้วยคนที่เคร่งนะแล้วก็เรียกว่าไม่ให้ผิดพวินัยเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายกลายเป็นคนที่เป็นโรคสุราเรื้อรังแล้วก็ตายเพราะเรา ตอนที่เป็นติดเหล้าเป็นโรคสุราเรื้อรังนี่ใครสอนใครพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะมันก็คนที่มันก็คลเสียจริตไปแล้วอันนี้มันก็น่าคิดนะว่าทําไมคนที่เคร่งนะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ใช่ว่าไม่มีธรรมะ ก, ก็รู้ธรรมะดีถึงมาลงเลยแบบนี้ได้ อันนี้ถ้าถ้าหากว่าเราจะพูดแบบง่ายๆนะก็ก็กพอะสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมพอซึ่ออกไปแล้วนะอยู่ห่างไกลวัดอยู่ห่างไกลหมู่มิตรหรือว่ากลับไปสู่มิตรกลุ่มเดิมนะซึ่งเป็นพวกไกลวัดหรือเป็นพวกที่ใช้ชื่อเหมือนคนทั่วไปนะ ก็มักจะหนีเหล้าไม่พ้น่าจะเริ่มจากกินเหล้านิดหน่อยนะแล้วก็ตะลังก็ค่อยๆถะลำเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆจนทั่งติดไปเลยที่จริงในการติดเหล้านี่มันไม่ใช่ไม่ต้องใช้เวลานานนะอย่างภาพที่เรารู้จักนะหลายรูปนะ พอศึกไปนะไม่กี่วันไม่กี่อาทิติก็ก็ได้เขาเมาเหล้าจนอ้วกแล้วอันนี้ก็ได้ก็ได้ยินบ่อยนะที่สุกโตเนี่ยตอนเป็นผ้าก็ดีอยู่หรอกนะเป็นผ้าได้หลายปีสี่ห้าปีพอศึกออกไปเอาไม่กี่วันได้เขาเมาเหล้าซะแล้วอันนี้อาจเป็นเพราะว่า ที่ผ่านมาอดกลั้นไว้นานเคยชอบเล่ามาก่อนเคยติดเล่ามาก่อนแล้วก็พอมาบวชก็พยายามอดกลั้นพอสึกไปมันก็มันก็ว่ามันก็ออกจากคุกอะไรงี้ยก็ฉลองมันพอฉลองเข้ามันก็เลยไอ้ที่อดกลั้นเอาไว้นานก็เมื่อเขืนที่มันเคยกั้นเอาไว้กลั้นน้ำเอาไว้พอเขืนมันทลายมันก็ น้ำก็หลายบาหลายคนก็เป็นแบบนั้นก็คือว่าอดกั้นเอาไว้นานตอนที่เป็นพระนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนอกจากช่วยสะกดกั้นความอยากแต่อย่างพระสมหมายนี่ท่านคิดว่าคงจะไม่ใช่เป็นแบบนั้น พอสึกออกไปมันก็สิ่งแวดล้อมนะก็ค่อยๆค่อยๆดึงออกไปให้ห่างจากศีลห่างจากธรรมเรื่องของวัตถุมัยลนี่คล้ายๆกับเรื่องที่เคยเล่านะมีนักมีคนหนึ่งนี่เขาไปกินเล่าไปกินอาหารกับเพื่อนในร้านอาหาร ไปเห็นโต๊ะโต๊ะหนึ่งนี่คนกินเหล้านะกินเหล้าอยู่คนเดียวแล้วก็กําลังเมาก็มีคนหนึ่งพูดเข้ามาว่าเนี่ยโง่ชิบหายเลยนะกินเหล้าแต่ว่าโดนเหล้ากินคนที่พูดนี่ก็เป็นเป็นช่างวาดนะวาด วาพวกภาพโฆษณานอกจากแกไม่กินเหล้าแล้วยังยังดูถูกคนกินเหล้าโดยวง่าโง่เพราะว่าเขา้าใจไม่ได้เลยว่ากินเหล้านี่มันมันดีตรงไหนเสียเงินแต่ตอนหลังวันดีคืนดีก็เห็นเป็นงานเลี้ยงเห็นเขาเอาเหล้ามาวางไว้เป็นงาน ไม่รู้ไปงานทำบุญบ้านหรืออะไรก็ลองชิมสักหน่อยชิมแล้วก็ยังสู้ึมันเปรี้ยวอยู่ ม, มันไม่เห็นหน่ากินเลยแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนเพื่อนก็เห็นหมอนี่นะไปสั่งเบียรมากินขณะที่กำลังวาดรูปวาดภาพวพวกภา พ, พโปสเตอร์ก็สั่งให้คนเอาเบียมาเพื่อนก็ทักว่าอาไหนว่าเราไม่ดี แล้วทำไมกินนะหมอนี่ก็บอกว่าอ่างเนี่ยแกไม่เข้าใจนะไม่รู้อะไรเบียร์นี่มันดีกว่าเหล้ากินแล้วมันช่วยคลายเครียดเนะบียร์นี่มันของสูงนะไอ้เหล้านี่มันของสถุนคนชั้นต่ํามากินกันนะไม่ได้กินเหล้าไปกินเบียร์ผ่านไปไม่กี่เดือนอ้าว ไปสั่งให้เด็กไปไปซื้อเหล้ามาเป๊กหนึ่งเพื่อนก็ถามว่อถามหาว่าเราเป็นของศัตรูแล้วทำไมกินเหล้าอ่ะวันนั้นก็บอกแกไม่เข้าใจเนี่ยต้องมีเหตุผลหน่อยเบียร์นี่มันกินเบียร์นี่มันแพงวันหนึ่งกินหลายขวดเนี่ยมันอาชีพเราเนี่ย มันไม่พอหรอไหมกินเบียร์หลายวันละหลายขวดสู้เหล้าไม่ได้เหล้านี่เป๊กเดียวนี่เอาอยู่เลยนะคือแทนที่จะเสียเงินซื้อเบียร์วันละห้าขวดก็กินเหล้าเป๊กหนึ่งพอถูกกว่ากันเยอะแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นคนติดเหล้าแล้วก็ตายเพราะโรคสุราเรื้อรังตายพเพราะโรคเหล้า เรื่องแบบ น, นี้มีเยอะนะเพศคนที่ต่อต้านเล่าไม่เอาเล่าเนี่ยถึงแล้วก็กลายเป็นขี้เล่าซะเองแต่ว่ากรณีพระสมหมายนี่เรียกว่าหนักกว่านั้นอีกนะเพราะว่าเป็นพระแล้วก็เคร่งด้วยไม่ใช่พระธรรมดาถ้าเป็นพระชาวบ้านเฮฮาหรือว่าเป็นพระเมืองนี่ก็ไม่ได้ปฏิบัติมา มันก็พอสึกไปก็ง่ายที่จะเข้าหาเหล้าหรือกลับไปหาเหล้าและนี่พระสมัยที่เป็นพระปฏิบัติเคร่งสุดท้ายก็ลงเอยหนักกว่าคนที่ไม่ได้บวชด้วยซ้ำนะเคาะว่าที่ไม่ได้บวชที่กินเหล้านี่อย่างที่เราเห็นชาวบ้านเนี่ยนะชาวบ้านก็กินเหล้ากันบอกให้เลิกก็ไม่ค่อยเลิกเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ที่เป็นโรคสุราเรือหลังนี่ก็แทบไม่ค่อยเห็นนะ ยิ่งคนที่กินเหล้าจนฟั่นเฟือ น, นี่ไม่เคยเจอผสมหมยตรงข้ามสวิงนะั้นเรียกสวิงจากประเภทเคร่งมากนะแจ้การพวกที่หมดเลยนะหมดสภาพนะฟั่นเฟือนมันไม่ได้เกิดขึ้นปุกปรับนะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆเกิดขึ้นช้าๆค่อยๆค่อยๆเลื่อนค่อยๆไหลนะ อย่างที่เล่าเนี่ยอย่างช่างที่เป็นช่างวาดโปสเตอร์เนี่ยทีแรกก็ไม่ได้กินเล้าจริงก็อาจจะเบียร์หน่อยนะกินเบียรนนน์นิดหน่อยหน่อยแก้วหนึ่งก็พอผ่านไปก็จากแก้วก็เป็นขวดแล้วผ่านไปอีกหน่อยก็จากขวดก็เป็นสองขวดแล้วก็สามขวดสี่ขวดแล้วก็ห้าขวดตอนนี้ไม่ไหวแล้ว หาขวดมันแพงกะกินเหล้าด้วยทีแรกก็เริ่มจากเป๊กหนึ่งก่อนนะต่อไปก็สองเป๊กสามเป๊กต่อไปก็ขวดเลยแล้วก็สองขวดนี่กินเลนี่มันมันกค่อยดึงไปค่อยๆลากไปเทเลนิดเทเลนิดนะกินเลนี่มันบางทีมั น, ม, นมันฉลาเนะี่มันไม่หัวภาพ สำหรับบางคนแล้วกินเหลนนี่ไม่ค่อยล่อค่อยหล่อไปทีละนิดทีละนิดค่อยค่อยหลวมตัวไปสำหรับคนโง่นี่กิเลนมันมาโผล่แบบแบบโจ่งแจ้งชัดเจนนแต่สำหรับบางคนมันค่อยค่อยโผล่ค่อยค่อยไม่ค่อยชักค่อยคชวนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวเสียผู้เสียคนโดนมันกิน อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจสภาพเรานะว่าอย่าประมาทอย่าประมาทไม่คิดว่าเออบวชผ้าแล้วเราเราแน่เรามีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยพอมีเพื่อนชวนเออไม่เป็นไรนี่นหน่อยหน่อยเข้าสังคมเนี่ยมันจะมาแบบนั้นนะไม่เป็นไรนี่หน่อยหเข้าสังคมเพื่อนชวนปฏิเสธมัน่าเกลียดมันก็จะมีเหตุมีผลต่างๆมากมาย จรงแล้วเพื่อนชวนอ้างเพื่อนตอบตอนหลังนี้ก็จะอ้างงานกินกินแล้วมันทำให้ทำงานได้ดีอย่างช่างภาพคนนั้นบอกมันเครียดไม่มีอารมณ์มากินแล้วอารมณ์มันเคลิ้มมันว่าทำงานได้ดีอ้างไว้เรื่อยนะอ้างเพื่อนบ้างอ้างงานบ้างอ้างสังคมบ้างเสร็จแล้วก็คราวนี้เอาไม่อยู่แล้ว เพื่อนห้ามมันก็ไม่ฟังทีแรกกินเหล้าเพราะเพื่อนเพราะเพื่อนแต่คราวนี้เพราะเพื่อนไม่เอาแล้วไม่เอาก็ได้บุกกินคนเดียวก็ได้สังคมบอกว่าทนไม่ไหวกินเหล้าจนอาลวา่างนี้ก็บอกกูไม่เอาสังคมแล้วะกูจะเป็นอย่างนี้องกูใครจะทำไง ม, มันก็มีข้ออ้างไปเรื่อย มีพระรูปหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นพระตอนที่บวชนี่ก็ผมก็คุ้นเคยดีตั้งแต่เป็นคาราวะท่านก็เป็นนักเขียนด้วยนะเขียนอยู่สายหลวงพ่อปัญญาอาจารย์พุทธทาสายนี้เนี่ยนะจะมีพระกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านอใบายามุกมากเลยและพระรูปท่านก็เขียนนะเขียนหนังสือวาดภาพต่อต้านอใบายามุกทั้งเล่าทั้ง การพ น, นันตอตตอรี่โดยเพราะเล่านี่ต่อต้านมากนะทั้งเขียนทั้งพูดบู่ตั้งสิบกว่าพรรษาตอนหลังกเกษิก อ, ออกไปถึกไปก็ไปอยู่แถวสุรินเป็นคนสุรินผ่านไปไม่ถึงสิบปีก็ได้ข่าวอาการเป็นติดเล่าไปแล้ว นะติดเหล้าไปแล้วแล้วต่อหลังคงจะติดเหล้าหนักนะดูท้าค่าตัวตายเอาปืนเอาปืนกรอกปางแล้วยิงตัวตายไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเมาฟวนเฟือนหรือว่าอะไรมันกลายเป็น ตรงข้ามกับที่ตัวเองเคยเป็นนะต่อด้านสบายมุกกับกลายเป็นหลงระบายมุกกับคนที่เห็นว่าการค่าตัวตายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลายไป็ว่าเอาซะเองคนแบบนี้ก็มีให้เห็นอยู่เป็นข้อเตือนใจว่าเราแต่ละคนแต่ละคนก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นได้นะวันนี้เป็นพระแต่ว่า พรุ่งนี้อาจจะเป็นไอคีเมาหรือว่าวันนี้เป็นพระพรุ่งนี้ก็ จ, จะเป็นพวกชอบคมขืนนะเป็นคนเจ้าชูก็ได้เคยมีคนม า, มาฟ้องมาต่อว่านะมีพระพระสุกโตนะบวชก็ตอนที่บวชก็ดีนะสุดกไปเขา ก, ก็ไปแต่งงานกัน อ, อยู่กันไม่นานเอ้ามีเมน้อยแล้วสิ่งข้อสามยังรักษาไม่ได้เราเขียนมาใคา้เขาทำลองตัดเพาะจะปรึกษาว่าทำยังไงอั น, นี้มันเชื่อเห็นเลยนะว่าคนเราต้องมันมันอาศัยมันต้องพึ่งพิ ง, พงสิ่งแวดล้อมมากคนตัวนไม่น้อยเนี่ย ดีได้เพราะอาศัยสิ่งว่าล้อมเขาอยู่วัดเพราะว่าอยู่ในหมู่มิตรที่เป็นพระพอเปลี่ยนสิ่งว่าล้อมหรือพอปหยุไปหยู่สิ่งว่าล้อมใหม่หรือไปอยู่สิ่งว่าล้อมเดิมก็กลับเหมือนเดิมเพราะว่าภูมิคุ้มกันข้างในมันมันไม่มีหรือว่าอ่อนตอนที่บวชก็นึกว่าเราแน่นะเราแน่ ที่มีคนกราบคนไหว้ก็เกิดความหลงตัวลืมตนได้ง่ายจิตใจก็สงบเยือกเย็นก็ทำให้เชื่อว่าเออเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วหรือบางทีก็นึกว่าเออเราแน่สึกออกไปก็ มันก็ค่อยโดนกิเลสนะก็ค่อยกินไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไปอยู่สิ่งวัตล้อมใหม่หรือกลับไปอยู่สิ่งวัตล้อมเดิมที่พระเจ้าตรัสว่าอาศัยวันอาตย์พาลานางการไม่คบคนพานอันนี้เป็นมงคลข้อแรกนี่สำคัญมากนะเพราะว่ามนุษย์เรานี่มันส่วนใหญ่เลยจะดีหรือชั่วนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งวัตล้อมขึ้นอยู่กับสิ่งสถานที่ที่อยู่ พอเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมอเช่นวัดเช่กนกรลนณมิตรไปเจอกับปาประมิตรหรือว่าคนทั่วไปมันก็มีโอกาสที่จะถูกกลืนไปได้ประมาณ9กเาเป็นอย่างนั้น 95% เป็นอย่างนั้นหรือ 99% ก็ก็ได้ที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าได้ฝึกนะ แล้วก็มีมีธรรมะภายในที่เข้มแข็งนั้นก็พอเอาอยู่นะกับสิ่งแวดล้อมที่คอยชักชวนให้เราเข้าหาอบายหรือลงอบายแต่ว่ามันต้องมีความไม่ประมาทเข้ามาํากัดด้วยเพราะถ้ามีความไม่ประมาทก็พยายามที่จะฝึกพยายามที่จะถอยห่างหนีห่างจาก สิ่งว่าร้อนที่ ย, ย, ยั่วยุล้วก็พยายามที่จะฝึกปือจิตใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอแต่พอประมาทแล้วเนี่ยนะมันก็ใจอ่อนได้ไง่ายเรื่องเรื่องนี้เรื่องพระสมมัยนี้ก็มีต่อนะก็คือว่าหลังจากที่อาจารย์ซูเมโต รู้ว่าที่สมหมายนี่แต่เป็นขี้เมาก็ผิดหวังมากแล้วยิ่งมารู้ว่าเมาจนกระทั่งไม่เป็นผู้เป็นคนก็ก็ยิ่งก็กลายเป็นลังเกียดไปจะผิดหวังกาัานความรังเกียจแต่ว่าหลวงพ่อชาท่านท่านเตือนท่านสอน อาจารย์ซูมเมโทะว่าซูมเมโททุกครั้งที่เจอสมหมายต้องเรียกว่าอาจารย์นะต้องเรียกว่าอาจารย์นะเพราะว่าเป็นคนที่พาให้ให้เธอเนี่ยมามาที่หนองประพง์ถ้าไม่ได้เจอถ้าไม่ถ้ไมไเจอสมหมายถ้าสมหมายไม่ได้พาเธอมาก็ ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วนะอาจารย์สุเมโทโก็ได้คิดขึ้นมานทนะีแล้วก็เชื่อนะที่หลว ง, งพ่อชอาสอนแนะนำฉั้นตอนหลังนีพอไปเจอที่สมหมายแม้อยู่ในสภาพเมาอย่างไรก็เหลงเรียวอาจารย์ แล้วเวลาเมาๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยพออาจารย์สุเมโทโอเรียกอาจารย์สมหมายแกก็เลิกแกก็มีสติรู้สึกตัวนิดหน่อยที่เมาแอนี่ก็เออกลับมาเป็นผู้เป็นคนสักพักแต่ว่าก็พออาจารย์สุเมทรไปก็กลับมาเมาอีกหรือกลับมาเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวอีกน่าเสียดายที่ว่าเออ คือพอพอจะมีพอจะมะีความรู้สึกตัวเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างมีใครไม่เรียกว่าอาจารย์สมหมายมันก็สะกิดนะแต่สะกิดได้ไม่นานแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าอาจารย์หลวงพ่อชานี่ท่านทั้งที่รู้ว่าทิ่สมหมายนี่เมานะเมาเรียกว่าเสียพูดเสียคนไปแล้วนะก็ท่านก็ไม่ได้ ท่านก็ไม่มองว่าเป็นคนชั่วนะท่านยังแนะนำให้อาจารย์สมัยโทรเรียบที่สมมาเป็นอาจารย์คนบางคนนี่หรืออาจารย์บางบางท่านนี่เมือ่อเมื่อรู้ว่าลูกศิษย์นะกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นขี้มาแบบนี้ก็ก็รังเกียจลังเกียดเดย็ดยามแต่ว่าอาจารย์หลว่ชายท่าน ถ้ามีความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตาท่านก็ไม่ได้รังเกียจคนเหล่านี้ที่เมาเพราะถ้ารังเกียจนี่ก็คงจะไม่แนะนำให้อาจารย์สุดเมโทโธเรียกคิดสมัยว่าอาจารย์พระพุทธจ้าทานก็ถือว่าเรื่องบุญคุณนี่เป็นเรื่องสำคัญใครที่มีบุญคุณกับเรานะีเราก็ต้องนับถือเขา ตัวท่านเองก็ไม่ได้ไม่ได้เกียดที่สมหมยและวขณะเดียวกันก็เตือนให้อาจารย์สมเมโทโตได้ระ ล, ลึกถึงบุญคุณนะของคนที่พาให้เข้ามาหาธรรมะเพราะฉะนั้นก็สมควรเรียกว่าเป็นอาจารย์แม้เขาจะหมดสภาพไปแล้วก็ตามหรือแม้เขาจะทาตัวที่มันไม่มีความเป็นอาจารย์หลงเหลืออยู่ก็ตามอันนี้ก็ ก็คงเปรียบได้กับคนที่เสียใจที่พ่อหรือแม่ทำตัวแย่นะทำตัวไม่น่าเคารพนะแต่ว่าหลวงพ่อชาคงจะแนะนำว่าให้ให้ระ ล, ลึกถึงบุญคุณของท่านถึงแม้จะเป็นพ่อแม่จะเป็นคนเลวยังไงนะแต่ก็มีบุญคุณกับเราบุญคุณเหล่านี้ก็มากพอที่เราจะสมควรเคารพท่าน เคารพในในบุญคุณเคารพเพราะบุญคุณที่ได้ทำมาไว้กับเราถึงแม้ว่าความดีจะอาจจะเหลือน้อยลงหรือแท่ไม่เหลือแล้วก็ตามอันนี้ก็ทำให้ได้เห็นมุมมองของหลวงพ่อชาว่าท่านก็มีเมตตาที่กว้างแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ประนามไม่ตัดสินใครง่ายๆ ถึงแม้ว่าสิ่งที่คนนั้นทำนี่มันจะมันจะน่าละอายนะเพียงใดก็ตามแต่ว่าก็เป็นคนที่น่าน่าจะเห็นใจมากกว่าน่าจะได้รับความเห็นใจไม่ใช่การประนามหรือว่าการลังเกียจเย็ดยามอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของคนดีอย่างแท้จริงนะ คนดีจำนวนมากเนี่ยเขาจะยึดติดในความดีนะั้นแล้วถ้าใครไม่ดีเหมือนตัวหรือไม่ดีอย่างที่ตัวเองคิดก็จะรังเกียจคนดีจำนวนมากนี่จิตใจจะไม่ค่อยไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่จิตใจจะแข็งกระด้างเพราะว่าเกลียดคนชั่วหรือว่าเกลียดคนที่ไม่ดีเหมือนตัวบางคนก็น่าระอามาก คนดีบางคนนะหลายคนยีนเดิหน้าระอาเพราะว่าคอยตำหนิคนนั้นคอยวิจารณ์คนนี้เพราะว่าไม่ดีอย่างอย่างที่ตัวเองเป็นหรือไม่ดีอย่างที่ตัวเองคิดแต่หลวงพ่อชาถ้าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามีแต่ความเมตตามีแต่ความเห็นใจถึงแม้ว่ารู้สึกจะทำตัวน่าผิดหวังแต่ว่าก็น่าเห็นใจเขาวิสัยคนดีจะจะมีความ ใจกว้างจะมีความจะมีเมตตาไม่ใช่คอยไล่ล่าด่าคนที่ไม่ดีหรือคนที่ประพฤติตัวไม่ไม่น่าไม่น่าเคารพคนดีบางคนก็น่าเ้าใกลนะ้เพราะว่ามีความใจกว้างความเมตตาแต่ว่าคนดีหลายคนก็น่าละอาย นักเรียนหลายคนนี่เกรดครูศิลธรรมนะเพราะว่าครูศิลธรรมนี่ดีก็จริงแต่ว่าชอบมีทัศนคติเป็นลบแล้วก็รังเกยียจเด็กที่เกเรอันนี้ทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยนี่มีมีความรู้สึกลบต่อคนที่สนใจธรรมะคนสนใจธรรมะนี่มันทำไม ทำไมดุร้ายอย่างนั้นหรือทำไมเครียดอย่างนั้นไม่น่าเข้าใกล้เข้าใกล้เสจะโดนด่าเข้าใกล้เดี๋ยวโดนตําหนิทจริงนั้นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่วิสัยของคนดีที่แท้จริงนะคนดีก็จะเป็นอย่างที่หลวงพ่อชาท่านแสดง้เห็นนะว่ามีเมตตามีความเข้าใจอเรื่องที่เรามาก็ ให้ง่ายคิดเตืนใจนะว่าเป็นผ้าก็ตามหรือเป็นนกบวอก็ตามก็อย่าประมาทนะแล้วขณะเดียวกันเราก็สิ่งที่หลวงพ่อชา้าท่านแนะนำอาจากสุเมยโทนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้เขาคิดเตืนใจได้ดีนะในเรื่องของความดีและการปฏิบัติต่อต่อคนดีก็ตามหรือคนที่ ไม่สามารถจะดีได้ก็ตามเอาละชาในเพื่อนเท่อนี้กลับ